การแสดงทำยึกตื่นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไงจรจึงมีแต่ของจิงล้วนๆผู้ฟังจิงบุกดึมขณะที่ฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยือเกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแตแปลกต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพื่อเพลินต่อการตะดับกับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อ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 ลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมท่านต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจมนอบรมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลากจากท่านไปสู่รัฐานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีกลับมา ฟังธรรมจากท่านนั่นแหะยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่งทงรถตรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ต่างๆเป็นเหตุเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติบำเพ็ญคือสถานที่นั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เล่าถวายท่านนะ้รับถ้าท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านั้นไม่ได้มาเล่านะที่ทุ่มนมทนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้ตอนนั้นตอนหนึง่งในจุดที่ควรแก้นในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารณณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ ได้รับการลมศึกษาจากท่านในขณะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวส่นข้างพุทธการเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประธานพระาวาัดเองโอวาเดอทีทีพิคุโอวา ด, ดั ง, างที่พูดมาแล้วนั้นมันก็ลืม ที่อบรมพระอบรมเร่องศีลเรื่อง ส, สมาธิเรื่องปัญญ า, านั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเผ็นนี้ที่พระองค์งนนทร ง, งดำเนินอย่างนั้นเมื่อพระองค์ประทานพระโอวาทบรรดาพระสงฆ์จิดทุ่งดวงก็ต่างองค์ต่างตั้งไว้ในระดับ พอดีกับกำลังความสามารถของตนอรรามาเทศนาที่ประทานมานั้นก็ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะเฉพาะตามขัน้นตามเป็นของตนพอเหมาะพอสมพอดีพอดีพอดี่อยดีดื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับทำจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บําเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกาลังสงสัยอยู่ ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆอยู่หลายครั้งหลายหนก็สําเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านในสาเร็จมารผลนิทานเป็นเงนินมากเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งข้างพุทธการก็รู้สึกว่าคนผิดกันหนู่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เดียวก็เรื่องสิญญ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องกวนใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลส มีธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนในจดหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองในเรื่องที่เอียดก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาทำก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ่งสําหรับผู้ฟังโดย ล, ๆๆ ล, ๆๆลําดับกำลังเมื่อฟังแล้วก็ออกไปปฏิบัติตามมาตรฐานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบําเพ็ญของตนตามจรินยนิสัย เมื่อเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็มาทูมถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงสียทราบและประทานอวาัาทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งบุธการท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับลำดานถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มาก หมายนี้เ ร, เราทุกคนก็พอจะทราบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของาศาสนาและพระพุทธธรรมมันีผิดแปกกันอยู่มากขั้งนั้นมีหลักเจนอยู่สำคัญคือการปฏิบัติเพื่อมักผลมิตรจริงจริงการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริง ไม่มีข้าเคลื่อนเลื่อนลอยผู้ฟังจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นหน้าจะอย่างนี้ไม่มีสําหรับท่านผู้รู้จริงแห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างนี้อย่างท่านอาจารย์มั่นมออยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคําว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นไ ม, ไม่ไม่ปรากฏ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 ออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มากพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นมนมาสาวกสแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความเปลี่ยนแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขั้นพระอรหันต์น้าต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การสแสดงธรรมออกจาก ความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำตเต็มใจไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในจิตของพระสาวกอราหันทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการแสดงออกจะเป็นประเภทไหนก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออคือแสดง ให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้ น, นมุตติทดดนแสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงและจริงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละละถอนยังไม่น่าก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความสปร่งใสหรือความตั้งมัน่นภารกิจใจให้แน่หนามัม่นคงยิ่งขึ้นโดยลำหนักลำหนัก ถึงตักตวงอามรรคผลนิพพานกันด้ยเร่ เ, ย, เย่นั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงอามรรคผลนิพพานเป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญเต็มเมเ็ดเต็มหน่วยเต็มพรติกำลังผลที่จะพึงได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นอสมัยของพวกเรานี่เป็นสมัยลูกคำลูกนั่นคำนี้คำไปคำมาก็ได้แต่เครื่องโสโครกโส ม, มเต็มหัวใจถึงที่จะเป็นอักเป็นคำพอเป็นเครื่องสอท้อนกิเลศไม่นี่ มีแต่เครื่องพ่อพูนกิเลสเดือนมากน้อยก็ต า, ามจะอะไรก็ต า, ามมีแต่เรื่องพ่อพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้ามกับสมัยพุทธกาลเห็นเราจะว่าทําไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ผลคือไร้เหตุเหตุที่จะพึงเป็นไปเพื่อผลนั้นๆไร้เสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบตัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เหตุดีผลดีเหตุเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหนธรรมะ ก, ก็ศักิ์แต่ว่าธรรมมันมีอยู่ในตู้ในหีบคัมภีร์ใบลานท่านแสดงไว้ถ่า ย, ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่ไปฏปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเลสก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำหนักตําลาอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสปัญหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆแลนะตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคล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 ตัวนี้ตายออกมารูปลักษณน ะ, ะถ้าเอาเป็นรูปเป็นหน้างนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลคเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโรคนี้แหลมั น, นทำทําโรคให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันเนี้นี่ได้ฆ่ามันจะได้เนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดปริมาณจำนวนมากๆด้วยคนที่หายไปพวงเพราะอํ า, านาจแห่งเสือร้ายคือความโลภนี่มั น, ม, นมันกัดคนอ่า เวลานี้จะตายเนี่มีลวดลายของมันเป็นี้รูปลักษณะของมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งน้ำทีเดียวถามว่ามันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรดนี่คือคือภัยทั้งกองทีเดียวเอ่แล้วรูปร่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวนเป็นอย่างนั้นเราหูหางกลางส่วเป็นงี้เชี่ยวเป็นนั้นลวดลายเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วเนี่ยหามาทิ้งไว้นี่อ้าประกาศโลกให้มาดูตัวนี้ตัวร้ายกาจที่สุด โรคพิรุธิหายได้เพราะตัวโกรธนี้วเวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันมันร้ายกาวมาก้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่พายในจิตใจทั้งตนก็กลัวก็ขยขักขะแยงแล้วมีทางที่มีใจใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันความโลคความโกรดความหลงทั้งสามอย่างนี้เป็นอริยิกขตัวร้ายกาจที่สุดในโลกทั้งสาม เมื่อแยกออกมาเป็นตวเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทำคนให้รับราค่าฟันกันทำความพินาที่หมาจัดโลกก็คือตัวภัยสามกองพนนี้แหละวะใครก็ต้องลัวกันทั้งนั้นถ้ากเราแยกตัวของมาพิเดดออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อพิเดตเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็พิเดตก็อยู่ด้วยกันได้สนิท สบายโลกวันนั่งค่าจะให้ตายกับความโลภก็ได้พอใจจะโลภโกรธก็ตารําแสดงกับโกรธได้ทั้งนั้น่ะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยนี่มันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสเองเรายึดว่าเป็นเราเสเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแก่ตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นขึ้นมาที่เละแล้วมันเป็นภัยด้วยกันก็ตางแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้นี่เอ้าเกิดก็เกิดจะว่างไง ทุกก็ทุกเสียใจก็เสียใจเพอานนางพิเสียร้พ่ายเสียออกพิเลียเป็นเราเลราเสียใจว่าก็พอเสียใจอืมถึงขนาดจนว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้มันก็พอใจเสียใจคนเราอืมร้องไห้ก็อพอใจร้องไห้ถ้าถือว่าเราเป็นเราอทางวัฎเสียกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นดังนั้นมาได้ก็มีท่าต่อสู้กัน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 มันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละอแม่มันจะพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นเสือข้ามันไปเรื่อยเรื่อยนี่เราเห็นทั่วทั้งมันอย่างนี่แยกขั้นออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องที่เหลืกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาวใบคลิปแทงเปลี่ยนแปลงหลายแงหลายระพงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยราที่เหลือก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีธนวัฒนามตะโคหมายถึงว่าไม่ มีต้นไม่มีปลายไม่ทราบต้นทางอยู่ที่ไหนปลาทาง ไ, ไหนวนเยียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเยียนมาไตา่ไปไต่มาหาทางออกไม่ได้응 <k> เรื่องวัดต่สาสงสารกับหัวใจของเรามันก็วนไปเยียนม า, างั้นมาแล้ก็มาตื่นแต่ของเก่าแล้วเกิดเท่าไรก็ว่าตนม่นมได้เกิดตายแล้วก็ยังไม่เขาไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลําบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวผาย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 มี mana ภายนจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าให้นักรบสาวกอราหันอ ร, ราหันเป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบพุ่นหนึง่งนา ะ, ะเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราจะให้เป็นนักรบให้เป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยไม่ถอยเราสู้เพื่อใช้ชนะ ยกเราเพื่ขึ้นจากหลงลึกจะยากลำหนกักยกจนขึ้นเรามายกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอกเท้าเราเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเร า, าผู้ถอนที่เดือดเจ็บแทงจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนั่งค่ำคืนยังรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราต้องพยายามถอดถอนออกโดยลำหนักลำหักสติปัญญาผิดขึ้น หอุบายพลิกแปลงแปลงตัติปัญญาเป็นสิ่งที่พืดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันย่งางคํำอุบาจารย์เป็นจะเพียงพูดเนี่ยให้คือท่านยื่นให้อัญญาเขายื่นให้ทั้งดุลเราจรึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงให้นั่นไปแจงออกโดยลำดับลําดาแตกแขนงไปนั่น่ะเป็นอุบายของเรา แล้วกินวันยัางค่าไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผลิตขึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้ายแล้วมันหมดบางทีบุดตีนบุดมือแต่เสืีอหายประชาระยะก็มีถ้าเราผลิตขึ้นมาได้ไม่เป็นไรอ่าอันนี้หมดเอาผลิขึ้นมาอันนี้แตกไปผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกอ่อกวิเลศทำให้คนจนจนกอ่อกจนมุมปัญญาไม่ทำให้จนกอ่อกมุมเป็นพุท แทงทะลุกูปลุ่มมาได้เพราะอำนาจของปัญญาท่านจึงชมนัตติปัญญาสมาอาภานานันทาสิทธท่านก็ว่าแสงสว่างจางเสมอด้วยปัญญาไม่มปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอนาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกอยากละเอียดของที่เด็ดความมืดดำอยู่ที่ไหนคือที่เด็ด อ, อยู่ที่นั่นปัญญาแทางเข้าไปจนทะลุปูปลุ่มคือหาที่หยดช่อนไม่ได้ ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่ฟังสมมันขึ้นมามนี่ต่ค้นผู้เสียหามาฆ้ามตลอดแต่ที่เลืก็มอบลงไปเอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยอีกฆ่าไ ด, ตาาดตา้ตัดประทับเผาได้ตัดประทับตัดประทคือความเพียนเครื่องแปรเผาที่เละเอาให้มันคิดหาโดยลำหนับลำหนักที่เหลืมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอีกมันจะเอาลูกท้าเราก็มาที่ไหนเมื่อถูกฆ้ามวันหนึ่งมันหลายหลายตัวหลายๆ ชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลทุดท้ายต้อมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภ า, ายาในจิตใจแต่ก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงออกมายอย่างน่าอศัศจรรย์นี่อำนาจแห่งธรรมแสดงเต็มที่แล้วอานาจของกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเพศทุกชาติในละความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้นการธรระกิเลสแม้จะหนัก หรือลำบากเป็นไรกรงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องทำเพื่อยกตนทั้งเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้าหนักมากขึก่นกว่าความลําบากในการถอดถอนที่เหลือซะอีก<ม>เราก็ต้องพยอย่งางผ่าขันพิจารณาให้ดีแยกแยกให้ละเอียดต่อออกกี่รังกี่โหตุจีกระดกทบทวนก็ตามแยกทำมันเห็นทัดเจนเอาจนทํานิชทานานเอาทํานิชทานาแล้วอยังม่เลี้ยเอาจกนกระทั่งรู้จกนกระทั่งปล่อยวาง รู้กินเห็นกินเนี่ยมันล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราเระาจับอัตตะพิดขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอัตตพิษทั้นมันสลัดทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นพายแล้วมันก็สลัดล่อยเองจิตใจปัญดาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดนี้ถูกพอใจทราบนั้นมันก็ปล่อยเองต่อยเองปล่อยโดยลำดับกันมาการต่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งลกที่มันทับหัวใจอยู่ ของเราอยู่นั้นเองภูเขานี้ได้ เ, เกิดกิเลสมากหรือน้อยกับเข้าตัวของเราเนี่ยถอดถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเราเนี่ท่านว่าอารมณมาสุขที่มันเป็นบรมณไม่ได้ครับคือเรื่องของกิเลสเท่นั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลด ร, ราคานลดคุณค่าของใจใจท่างดวงแล้วไม่มีคุณค่าเพราเอาสิ่งที่ไม่มีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจไม่ออกหมด ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราสิ่งที่มีคุณค่าขอแสดงแสดงตัวอย่างเต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหานท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่ไม่พ้นที่ไหนเพราะพวกนี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้คาผู้ล้มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่ปิดผ่องออกหมาแล้วก็ดีขึ้นที่นี่เนอผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่เนี่ยพ้นทุกพ้นที่ใจ ไม่พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็มันเป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดหรือจะเป็นจะทายก็ทราบมันเรื่องอ น, นี้จังทุกังลตาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันมันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นแล้วสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นกเราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้วอ มันค่อยแปลงมันไปโดยลำดับๆเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันพราะเราดูอยู่เป็นของของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดเห็ความแปลสภาพของธาตุของขันน์มันแปลไปเปลไปถึงวาระสุดท้ายก็กระจายจะกันไปหมดมันก็กระจายให้มันเองถันมันกระจายให้มันเองมันแตกเพรามันเองเพราะมันตั้งมันเองแล้วมันก็แตกมันตัวเองาจนั้นเราผู้รู้กันรู้มันชัดชถึงความจริงของมันมันก็ยิ่งจะเป็นเรื่อง ขาดปัญญาเราให้ขาดจิตใจขงเราให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึินด้วยอานาจของปัญญาที่แทงทะลุก ป, ปูผงตามความจริงข้าวลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเราเนี่นะแล้วอะไรจะทิพไถ่ขึฮนเห็นจริงต่างอันต่างสิ่งด้วยกันแล้วไม่มีอะไรทิพหายเอาธาตุลงไปอยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นของมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรร ม, มาชาติมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมัน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 ขันก็ไปเสียจิตก็ผ่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดกันเสถียรเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรดลธาตุเรื่องขันธาลาหะเวปัญจักขันธาตุธาละหา้ า, า, า, ะหาโรจตุกะโรหมดกังเสถียรอย่างพระพุทธเจ้าไอนิพา พ, า พ, าพานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวง ผู้ที่ยังครองขันอยู่แม้จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องรับผิดชอบในธาตุในขันจึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการบินการเดินการนั่งการนอนประคับประคองกันด้วยเอียบุตรต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันสละลายออกไปทั้งหมดจิตกกบริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันก็ออกจากกายก็ลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ย ทางงานต่างจริงแค่จิตก็ผ่านไปเลยหมดตังวดอันาลโยอย่างเต็มภูมิมีเรียกว่าอะ น, นิพาทิเสยสนมิพาสลัดสมมตุติไว้ให้เป็นภูมิของส ม, มตุตดวิมุติไปเต็มภูมิของวิมตุตดไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่คลองท่าถ้ำอนี่นี่แหละการปฏิบัติธรรม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 ที่เิดตาเกิดกุชลาทำมาสิงนี้มาหยุดไม่ยัง่งเอาสร้างกุชลาภายในจิตใจให้พอกุชลาทำมาแปลว่าความฉลาดหาอุบายความฉลาดแ ก, ก้จิตใจตัวเองได้เป็นพอะตายแล้วขาดจากกุชลาไม่กุชลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุชลารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอาว่าจิตนี้มันยั ง, งโง่อยู่ยังไม่รู้รหน้ารู้หลังอะไรเลยกับกุชลาทำมาอะไรกับ เ, เท่าเดิมมัน อันเราสร้างกุศลธรรมมาอกุศลธรรมานี่อันไหนไม่ดีกุศลธรรมาความโง่กำจันออกไปความโง่คือกิเลสอ่ากุศลธรรมาคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปโูกันจนมันของสายโดยบริสุทิ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอัปยาคตาธรรมาก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตตธรรมคำว่าอัปยาคตาธรรมาเป็นสิงกลางๆธรรมดาไม่เปบุญบาป ในบรรดาส ม, มุดทั้งหลายก็ได้มันจะแยกไปเป็นอภยากตาจิตเชื้อจิตจิตพ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของตาตาปาปะปัญญาบุคคลผู้มีบุญและบาปมันละเสียแล้วเป็นอภิยะกตาจิตก็ถูกถึงคำ น, นี้แล้วไม่เสียงใครใครจะให้ชื่อไห่นามก็ได้ไม่ให้ชื่อไห่นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ส่งไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จาเป็นเราจะต้องเป็น นิ้วมอกับชื่อกับนามมันอีเอะเนี่ยอนึกว่าหมดปัญหาทุกเพราะความเพียรเพื่อถอดถอนจิตเละมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทําให้เพลิดเพลินให้รื่นเริงหมาถึงผล ท, ที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลําบากในการบาเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบาอกเบาใจถอดถอนจิตเละตัวนั้นได้จิตเละตัวนี้ได้เป็นลำดับลาดับเป็นความเพลิดความเพลิน ยิ่งถึงทำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทธะจักความฟุ้งคือเทินไม่ใช่นั่นหะจิตมันไม่ใช่มันฟุง้งไปแบบโลกแบบงิสานนะคือมันเทินต่อการคิดพิจารณาเทินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญาลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เป็นความเทินท่านเรียกวอุทจักะ อพอพ้นจากนั้นแลมันก็หมดปัญหามันหมดหมดเรื่องแล้วก็สบายอละยิติเลี่ยนตอนนี้